มีหนามีหิวมีปวดมีเมื่อยเหมือนกันสําหรับน้ำปีใจก็เป็นความ โ, รโกรธความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์เกิดเกิดใจเหมือนกันวันเวลาก็เหมือนกันโลกอันเดียวกันสาหรับประเทศไทยเอเชีย e ล้นนี้ก็ทีสี่สาสิห้านาทีวันนี้ก็วันแลมแปดข้ง เดือนห้าตรงกับวันจันทร์เหมือนกันแล้วก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สนุกสาธยายสวดบางคนอาจจะเบื่ อ, องอ่วงอนอนอาจจะไม่เหมือนกันกลางคืนล่วงไปล่วงไปบันนี้เราทําอะไรอยู่อาจจะต่างกันบางคนบางชีวิตแห่งรูปนามก็อาจจะหลงบางชีวิตที่มีรูปนาม พ่ออาจจะไม่หลงในวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราหลงวันเวลาก็กลืนยินเราเสียฟรีไปแล้วมันกินไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกเวลากินไปมันหลงถั่วลืมตนเราก็พัดภาคไปตายไปเกิดไ ป, ไ, ปได้ไปเปลี่ยนไหวใจเกิดอยู่ ก, กับสมมติปัญญตาการต่า ง, าางๆ่างบางคนก็ไม่หลงวันคืนล่วงไปไม่หลงก็กินเวลาโต ว, วันโตคืน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 ไปจากภายัยไปสู่ความไม่มีภยัยถ้าเป็นสะพานก็คือเหมือนสะพานวัดป่าสุกโตข้ามฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอานยาวาสีอานยาวาสีเป็นฝั่งที่เจริญสติสมัญญะเป็นฝั่งที่ปริวิเวกง่ายปฏิโพุทธกังวลไม่มั่วแต่ว่าปริวิเวกสงบกายสง บ, บใจาจสงบใจฝั่งหนึ่งก็ฝั่งคาบวาสี เรียกว่าทั่วๆวไปชาวบ้านชุมชนไปไปใครๆๆมาอย่างโรดเสียงลาอะไรก็ร้อยอย่างเรียกว่าขามมาวาสีเขตขามเขตหมู่บ้านเป็นศะลาหน้ารเรียกว่าเขตขามถ้าข้ามจะพานมาอาริยวาสีปิเิเวกเราก็หาวิธีเลือกอยู่ได้ถ้าเรายังให้โลกบรรทับถมก็ออกไปอารียวาสี เช่นพวกเรามีกติมีที่อยู่อยู่คนเดียวเพราะงันก็อยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวถ้าเราปริเปริกไม่ได้ก็ปริเวกในทางรูปทางนามของเราไม่ใช่สถานที่สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบตอนน่อให้เราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราไม่เคยฝึกหัดตัวเองนี่ก็ไมู่โล่ะอาเรี้ยวอาสีคือที่ไหน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 ชีวิตของเรามันเลือกไม่ได้มันก็เป็นหลายๆอย่างเลือกคนปนเปกันไปหมดไม่รู้จกเลือกแล้วทุกแล้วทุกอีกก็ไม่รู้จกเลือกความไม่ทุกข์ก็มีแล้วโกรธแล้วโกรธอีกเราก็ไม่รู้จกเลือกแล้วก็งงไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีพัฒนาได้ไม่พัฒนาตัวเองให้ไม่ดีกว่าเก่าไอ้พุ่นภาวะเดิมๆไปให้มันโต ว, วันโต ข, นขึ้นมาเรียกว่าศึกษาคือจะหลงดู เมื่อวันโกรธมีสิทธ์ที่จะไม่โกรธเราก็ใช่สิทธิ์ของเราเมื่อวันทุกข์เราไม่สิตที่ไม่ทุกข์เราก็ใช่สิทธิ์ของเราเร า, เราก็รูร้จั ก, กเลือกกนันนไงเพราะสิทธิของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องทางการเมืองอย่างเวลานี้ช า, ชาหลังเขาสองสามตำบลเพื่อปั้นเขื่อนน้นาท่วมที่ก็พากันไปนั่งตั้งเต้นอยู่บนหลังเขื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิคือ อยากได้เงินสองเดือนสามเดือนแล้วก็จะไปเยี่ยมอยู่กไ็ไม่เป็นไรแตนอนอยู่ที่นั่นเรียกร้องให้รัฐบาลเอาเงินมาให้ค่าน้ำ ท, ท่วมที่แต่บางคนก็ได้ไปแล้วก็วยังไปร่วมกันอยู่เสียงานเสียการแต่บางคนก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำท่วมอยู่ในท้องน้ำก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำไม่ท่วมเลยยังทำหนาได้ทำานได้อยู่ก็ได้ ก็ทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมคนที่ตั้ท่วมจริงๆไม่ได้คนที่ไม่มีน้ามไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่าเพราะยังได้เงินได้ทองตอนนี้เพราะอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้โลกนะ้่ยก็เลยทำให้มีการเรียกร้องกันไปอนนั้นเลยว่าสิทธิของเขาตอนนั้นก็อาศัยเดินเจอได้เินมา ไ, ได้ก็ให้คนอื่นตัดสินอยญ่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 จะพาศึกษาจะพาปฏิบัติว่าใจมีกายวิีัยมีรูปมีนามมีธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ขันหกเคอได้ยินไหมขันหกขี้น้อยปฏิวีตธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําเเฉาธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไได้นี่ว่าธาตุหมันเหมือนกันเราทัวนี รู้อะไรได้ความทุกข์มันก็รู้ความไม่ทุกข์มันก็รู้ได้ความโกรธก็รู้ความไม่โกรธก็รู้ได้แต่เราไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณธาตุในทางที่พัฒนาเราวิญญาณธาตุไนไปใช่ในทางรับใช่ยอมยอมทำตามความทุกข์ยอมทำตามความโกรธยอมทำตามความรักความชังเป็นคีย์ค่าของความชั่วร้ายทื่ว่า น, นี้ก็มีคนอําเบรงใหญ่ เป็นครูทั้งสองคนมาหาคููคนหนึ่งมาหลายปีแล้วเลิกเล่าได้มากับเมียก็กเห็นว่าที่นี่พอที่เป็นที่หลักใจได้บ้างก็เลยชวนกันมาเออเคยไปเลิกเล่าที่สุกโตก็พาครูคนหนึ่งติดเล่ามอมแมมเวลาติดเล่ามาเอารถเจ๋งขี่ไปโรงเรียนเอารถเจ๋งมัดจำเมื่อเมามาเอามัดจำพวเมียก็ไปถ่ายใ เมียก็ไปทุกข์ชวนมาว่าจะมาเลิกนีนก็เอาพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยายาการเลิกเล่าเลือบบุหรี่ก็เอามาเฟืองตัวผู้เอามาเอาแก่นาต้มปัน่นแหลกเอากำมือไปต้มใส่น้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนดอกจะเบื่อบุหรี่จะเบื่อเล่าจิดจะเล่าเวลาใดอาเจียนเรื คิดถึงบุหรี่ก็อาเจียนออกเอาไปมาก็เมื่อมันหมดพิษอาเจียนแล้วมันก็หิวบุหรี่หิวเราได้ยังไม่ใช่ยาอ น, นันต์แต่ว่าถ้าคนนะ่ะต้องช่างน้าหนักต้องตรวจความดันสูงควานั้นต่ําถ้าไปให้ยาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ไม่ใช่หมอเราเป็นหมอสมนุนไพรอเรียนมาเออเลยไม่ค่อยใช่เอาหักดีบเลยเขอถามอายาไม่เอา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 มาพร้กันที่นี่ทั้งผัวเมียสองคู่สองคนครอบครัว ม, มาถ้าตกลงอ่ะสาธุพร้อมกันอ่ะสาธุอ๋อมันมันเบากันไปสาธุแรงกว่านี้สาธุอีกกัน <c oughs> เลยบากับบางฝ่ายบาีก็อาศัยกำลังใจก็มีแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามาทําอยู่เนี่ยก็ต้องไม่มีอะไรแหละพอแล้วพร้อมแล้ ว, พ, ลวพวกเราชีวิตเรามันหลงกับลูบให้เรารู้ไป ใครจะมาจากไหนจะไปยังไงจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีอันรู้เหมือนกันมามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นละมัดรละวังความหลงเหมือนกับเราเป็นยามเฝ่าบ้านเป็นยามเฝ้าบริษัทระวังจะปืนจะปิดจ้องถ้าใครมาลักาขาโมยพร้อมที่จะบ้องกันไม่เกิดตั้นขึ้นมานั่นเป็นยามมันก็ลำบาก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 แม่ความทุกข์ความอะไรต่างๆมันไม่เสียหายมันรู้ได้ยิ่งดียิ่งดีใครจะมีอะไรมาถ้ามีความรู้มันยิ่งดีจะได้เห็นจะได้รู้ตรงที่มันเคยชินเคยเปิดเื่อนมาตามกรคำของตนตามการกระทําของตนที่มันติดมามันจะได้รู้มันง่ายๆจะไปทํำยากให้ทําให้มันเป็นหาถ้ามันเป็นเอาอันที่มันง่ายๆเอาที่มันบเบาๆ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 ก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่อนแดเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับช้ากันไปบึง้งแรงๆสักก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาบอกมึงง่วงเออขับช้ามันง่วงเอาแรงๆด้วยมือมือมืไปมันก็หายง่ว ง, งๆๆได้ไไทีเรากอ็ออกแรงจะหน่อยยกมือทุบเข่ายิ้มยิม้มปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกกันเดิน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 ก็โรงงานรีไซเคิลก็อยู่ที่นี่ของเสียทําให้เป็นของดีไปกินเหล้าตับปอท่านใช่ไหมแอลกอฮอล์เป็นเลวเทียนเพราะแอลกอฮอล์เป็นเป็นอันตรายตับจะต้องต่อสู้เป็นทหารเดวหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นมาเมื่อกินไหมปกติกินไหม่มันก็ลบบ่อยๆถูกกระทบบ่อยๆแล้วก็เกิดตับแข็งเมื่อเหมือนมือเหมือนเท่าเราเนี่ยเยียบดินบ่อยๆก็แข็งด้านไปเลยตับแข็งมันไม่เหมือนฝาเท่าเรา กลายเป็นของอันตรายไม่มีพลังงานมันด้านก็เกิดโรคได้มันรีเซ็คเกิลไม่ไหวสูบุรีกินเหล้าหรือโกรธเนี่ยก็ทบอยู่เรื่อยจิตใจเนะี่ยันก็ไม่ไหวันนี้เจก็โลกกรพอะอาหารได้สุขภาพเสื่อมโทรมจะปล่อยอย่างนั้นเลยชีวิตเรามาจะมาฝึกขัดตัวเองนะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเรามานี่ทำไมมาเพื่อกันและกันเกัน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 ช่างตกลมนี่มันไม่ยอมจมลงไปมันถอนขึ้นมาชีวิตเราตกล่มมันหลงมันทุกข์มันสุกมันรึกมันจังมันตกล่มไปถอนขึ้นมามันถอนได้บางคนไม่ยอมถอนเขาว่าเราทําไมทําไมเขาจึงทําอย่างนั้นทําไมยังพูดอย่างนี้มันน่าจะพูดอย่างนั้นมันน่าจะพูดอย่างนี้มันหมักลงไปมันจมลงไปเป็นโทชาจิตเป็นนิสัยไปเลยเพราะนั้นเราจึงมาหัดให้มันรู้มันรู้เนี่ยให้ได้นิสัยใหม่อังวันเดนิสัยอย่างยิ่มิ ขอเนืใจแบบพิมพ์แบบฉบับของพุทธเจ้ามาเข้าพิมพ์มาเข้าแบบมันหลงกับลู่เนี่เข้าแบบถ้ามันหลงหลงไปไม่เข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาหล่ปูนจะเอาเสรกรมต้องเอาแบบผมผมอาอยต้มทำกติชื่อท่อใจเห็นมาขนาดไหนก็เอาเทบุลลงไปเข้าเป็นลูก ป, ปุมถ้าเอารูปเลี่ยวก็ชื่อไม้มาสามสี่แผน่นตรีเป็นแบบแตีเทลงไป ถ้าปูนดันไหนไม่เข้าพิมพ์ก็เป็นเศษขยะไปชีวิตของเราเนี่ยนิจใจที่เราหัดเนี่ยให้มันเข้าพิมพ์พิมพ์คืออะไรคือรู้จึกตัวคือจิตจำญญะนี่พิมพ์เป็นแบบฉบับแบบฉบับที่เป็นแบบพระรูปพระมันอยู่ที่ความรู้จึกตัวหลอกเข้าไปเข้าไปในพิมพ์ให้ได้อย่าออกไปมันหลงก็อย่าออกไปเป็นผู้หลงให้เห็นมันหลงเข้าพิมพ์แล้วมันทุกข์ก็ยาวไปเป็นทุกข์ให้เห็นมันทุกข์เข้าพิมพ์แล้ว มาหล่อด้วยมาสอนแรงมาตกแตง่งเหยาแบบเปรตแต่ปัจจุบักายแบบจัดเดรนเชานแบบสัดนรกแบบดีๆแบบพระรู้สึกตัวรู้สึกตัวผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลบผู้นั่นเป็นพระขี่นาศพระขี่นาศคือพระอรหันติสติเป็นหน้าโลบไม่ใช่นุ่งกางแจงสีนั่นสีนี่อยู่โน่น อ, อยู่นี่ไม่ใช่อ น, นั่นเป็นสมมติบัญญัติปรมัตต์สัจจะไม่อยู่ที่เรา มันอยู่ที่การกระทําของเราเข้าแบบให้ได้เนี่ยจะเป็นคิดก็จะสอนเราเนี่ยจะเป็นชัยก็จะสอนเราเนี่จะอยู่ที่ไหนก็สอนเราเนี่ยเคยไปกับคิดสมัยหนึ่งอะ่ะเป็นเพื่อนกันกันกบบาทหลวงเขาไม่มีภาวนาเขาให้เราไปสอนภาวนาบางคนก็เอาแล้วหลวงกพก่อเขียนน่ะไปเข้าคิดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีกั น, นเออไม่ได้ไปเขาเราจะไป <S 1> <S 1> สอนกันอเอาธรรมะเนี่ยมันก็ดี ไปสอนพอคิดก็เคยไปไปสอนบาดหลวงเคยไปโรงเรียนบาดหลวงที่มหาวิทยาลัยพะเยาเชียงใหม่ไปสอนโรงเรียนบาดหลวงมีบาดหลวงเขามีโคอชของเขาเขามีสายของเขาเขาไปสอนไปฟิลิปปินไปดูงานเขาไปอยู่กับบาดหลวงเขาไปดูของเขาการภาษาจาะของเขาคือทอํางไงวิธีการสอนเขาก็เด็กเขาเรียกวยายาปักยาปักเท่าไรถ้าจะไปดูจ น, จนยากจนต้องไปอยู่กับเขา ไปดูชุมชนที่ฐานะดีเขาไปอยู่กับเขาไปจุมดูมันจะขนาดไหนความจนได้วิวกับพวกซาไกหรืออะไรเตี้ยๆเท่านั้นซาไกชุมชนชาไกชุมชนชาวเข า, <im itation> าเขาไปอยู่กับเขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเราาะว่าซาไกเงาะเมียเป็นชุมชนใหญ่มา ก, ากาประงอะซาไกเขาไปอยู่เขาเราสมัครไปอยู่กับชนชนยากจนอ๋อไปอยู่กับสะลําบ้านสะลําเขา ใครเคไปอยู่กับพวกเจริญธมที่ไหนหลวงพ่อเคยไปประเทศฟิลิปปินส์นะเขาให้เราไปอยู่กับเจริญธรมไปด้วยกันสามลูกพระผููมียอายุเหมือนกันเขาก็ให้ที่พักได้น้อยหลังเดียวฝาก็เป็นไม้ขยะขาดบ้างไม้อัดตะลุถลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะเอกไม้อัดก็ทําหลังคาได้โ อ, โอเวเวไปแต่ถังใส่ห้างน้ำก็บ้าก แบงแบงขาดขาดเขาเจ็บบาจากถังขยะของหน้าก็พอพอใช้ได้แต่ถังมันใหญ่แต่ว่ามันขาดลงไปมันก็อยู่เหลือนิดหน่อยที่นอนอผ้าพรมขาดขาดที่ยวไปทิ้งเขามาปูนอนเหม็นสาบอุปโภคสามลูกไปดูที่เราก็อนวันนี้คืนนี้เราอยู่นี่คืนหนึ่งวันหนึ่งวางแผนในใจไม่ใช่เรียกร่องโอ๊ยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่วางผแผนในใจเราจะนอนอยางไง เราเข้าห้องน้ำยังไงเราอยู่นี่คืนหนึ่งเ่็งล่างหน้าแปงคันแต่เราก็มีน้ําดื่มในขวดน้ําเราก็เตรียมแบ่งวางแผนแช่ห้องน้ำเงื่อไหลไขย่อยนั่งรถไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาบ้างอยู่ในหัวเขีวต่ําๆเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่มีใครไปทําถนนทางให้ปีนขึ้นมาเดินขึ้นไปแล้วก็วางแผนเข้าห้องน้ำดูโอ้ยเหงื่อไหลไขย่อยจะอาบน้ําไงนาะไม่อาบน้ํามไม่ได้ มันร้อนเหลือเกินเฮ้ยอย่าอาบน้ำพวกเราน้ำมีน้อยๆจะลอยใช้ห้องน้ำซะถ้าอาบน้ำกรนี่ที่น้อยโปูลงไปเอาฝาบาทเป็นหมอนเอาสังกาติวางบนฝาบาทนอนตะแคงหนีจากผ้าผืนนี้ไม่ได้ให้บรรจงที่สุดถ้าเราไปนอนเสือพมโขาหรอกนอนไม่ได้แม้แสาบเป็นเชื้อโรคด้วยพอนอนก็นอนไม่ได้เงื่อยไรไปขโมยอาบน้ำพอเพื่อนนอนแล้วโอ้ยกระดูกกระดิกกระดิกเราไม่กระดูกกระดิก พอนอนเราก็มยไปอาบน้ําแล้วก็มีเขี้ยวหน้ําสแตนเลสมีหูไปวางแผนอาบน้าตั้งสติดีๆอ๋อเราจะอาบน้ำห้ากระป๋องน้นอยๆทอนนีน้ลองดูทาได้ไหมทำได้เราจะพยายามไม่กระตุกกระเทือนน้าห้ากป๋องอ่ะลองดูในชีวิตเด้อพอนั่งลงก็เอานหน้าําตักน้ำเทใส่หัวสูบสบู่ไ้สูบสบู่ไ ป, ไปเอามือลูบน้ําผพาไป กระป๋องนึงเกือบทั่วแล้วลูสบสบู่ไปก็นั่งถูสบู่นั่งถูตัวเล่นไปพราะมันเปียกไปถูสบู่แก้วที่สองมาล่าแจกกระล وب ไปยังลื่นลื่นสบู่ยังวาวอ่าค่อยลูบไปลูบไปหมดสองแก้วผูสบู่เกือบครึ่งหนึ่งแล้วเกือบเต็มแก้วที่สองสบูฟืดเลยปนฟืดแล้ยถูสบู่เอ้าสี่แก้ว ต้องได้แน่นอนพอหา้าเจ้วเดียบร้อยหมดทุกอย่างเลยมานอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบไระเทือนน่ะไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่ายาปักนะจา๊ะคิดเขาไม่ใช่เราไปดูเขาเฉยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลำบากยังไงไปจุม่มเรือกว่ายาปักนั่มาปฏิบัติธรรมนี่มาจุม่มมาเช่รู้แล้วละ่ะยกเือร้างจังหวะสบสจังหวะทาเป็นแล้วเดินยังกม ไม่ต้องแกงแขนกอดหน้าอกหรือขัดหลังหรือจับหน้าท้องปล่ยกันไว้ทําเป็นแล้วสุกุโตสอนอย่างนี้ไม่ใช่จุ่มตกนเมื่อจุ่มนี่ต้องมารู้เป็นหลงจุ่มดูความรู้จุ่มดูความหลงมันมีความหลงก็มีความรู้ก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีจุ่มลงดูทําได้ไหมเหมือนเราอาบน้าเยี่ยวเนเนยลองดูมันจะทั่วไหมมันทําได้ไหม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 มันทุกข like ์ก mm. ็จะแดงไปกับความทุก hmm. ข We ์มันหลงก็จะแดงไปความหลงมันโกรธก็จะแดงไปกับความโกรธไม่ได่ดูเราต้องไปดูใชมันแสดงออกมาให้เราเห็นอันลูกทำนามทำเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันไม่จริงอชีวิตมันไม่จริงความตายเป็นของจริงการเกิดการดับมันเกิดอยู่เลยมันผ่านอยู่เลยมันหลงมันรู้อยู่เลยมันแสดงให้เรารู้เราอย่าไปแสดงไปร่วมกับมันเรียกว่าดู หลวงพ่อเคยต้องพูดว่าจงมาดูเ อ, อ้าเป็นผู้ ด, ดูเ อ, อ้ามันไม่มีอะไรดูก็เป็นสมมติปัญญาถ้าจะพูดธรรมะที่พูดสัจจริงๆอ่ะปรมาจิงไม่ต้องพูดอะไรเลยนิ่งไปเลยปิดปากอันนี้จําเป็นต้องพูดเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดเคยสอนไม่ต้องไปนิ่งให้กันดูเป็นก้อนอดิดก้อนหินเวลาปฏิบัติธรรมต้องไปนิ่งนิ่งนิ่งอาจารย์ก็นั่งนิ่งสับประโคอยู่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 พอหลอมเลื่องพระเวชสันดอนอยู่ที่หลงขายกัญหาชาลีก็เป็นเด็กน้อยจริงจรความสุขก็เป็นแต่งตัวเหมือนพรำแต่ว่าคือพรำแต่ว่าไม่รู้พรำยังไงมาคือไปขอกัญหาชาลีพอได้ก็พปลดจากมือพระเวชฉันดรอนตีเลยตบ ล, ลงไปกัญหาชาลีก็ร้องให้พระเวชฉันดอนก็นั่งอยู่ถ้าบอยให้เขาตีลูกตัวเองต่อหน้าต่อตาพระเวชสันดอนชี้ยังไง ตงไปช่วยใช่ไหมไปช่วยเพื่อจะนอนนั่งดูเฉยจะทําได้ไหมพวกเราัณะซาลีก็เป็นเด็กเน่ยพรามจับไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนคณะซาลีก็กลัวร้องไห้พื่พรามทุยซกตีเลยเขี้ยนตีเลยเพือ่อจะดอนนั่งดูเพือ่อจะดอนชี้งไงถ้าปริทัศน์ตลองดูเพือ่อจะลองอมมองดูโอ้พรามเมืม่อมอบคณะซาลีให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่ในอำนาจของพรามมันจึงจะปลอดภยัย ถ้ามันไม่กลัวพราม์มันก็ลักหนีกลางดงกลางป่าจะไม่ถึงกุงสีผีดีแล้วเพราจะได้เชื่อฟังพราหมณ์มองแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มองแบบโกรธไม่พอใจอถ้าคณะจลีเชื่อพราหมณ์กลัวพราม์ที่ไม่นนไหนีไปไหนอยู่ในอํานาจก็จะไปถึงเมืองสีผีไปถึงเมืองปู่ปูก็จะได้เอาหลานน้อยไว้ พระไวยฉันนก็วางแผนจะต้องมาดค่าราคาแพงมากความโชศกจะเอาเด็กไปใช่หรือไปให้อามิตตาใช่หรือมันใช่ไม่ได้เด็กน้อยโชชกก็ต้องมีปัญญาเอาไปขายให้ผูกเอาเงินไปอจ้างคนมาสร้างอะไรก็ได้สร้างร้อยัวกร้อยม้าร้อยเงินร้อยทำร้อยอะไรมีแต่ห้าร้อยห้าร้อยเป็นเศรษฐีกันดีเอาไปขายใครจะซื้อได้มีแต่ ไปเจ้ากุงสนไทยที่ชื่อกัญหาสารีได้ก็ต้องไปที่นั่นขามก็เอาไปที่นั่นจริงวางแผนไว้จะ ต, ต้องไปขายให้เจ้ากรุงสนไทยว่าเราได้เงินจะเอาเงินไปจู่อภิดตะตาหอบเงินไปก็รวยแล้วเร า, าพระอาจารย์อนวางแผนไปจริงๆนะไม่ใช่โทษทิ้งนะถ้าอยู่ในป่าในดงอ่ะกัญหาสารีเป็นลิงเป็นข้างเอาอย่างลีงบ้างเอาอย่างกวงเปล่าไม่มีใครสอนพิมพ์บากัจจี พก็ไปหาแต่หมากมาปล่อยกันหาซาลีเล่นกับพระเพชรจันยวเหนือสมฝากกันไว้ทั้งอภัยเพชรจันอนก็ไม่ต่นั่งบำเพ็ญภาวนาอกัหาซาลีกเออล็เอาอย่างเลียงบ้างเอาอย่างแกงเอาอย่างควงได้นใจไปโอ๊ยไม่ได้เล่าเรียนก็โชคดีตามมาเอาไปวางแผ่นทันทีเลยจะให้ไปศึกษารเรียนก็ถึงกรุงศรีปี่พระเจ้ากรุงจะใส่ใส่หลานไว้เลย พอถ่ยร้านได้อพราหมณุกชุกก็รวยอพวกบริวารพวกไผ่ผ้าประชาชนก็เลี้ยงพราหมณ์กินอาหารอย่างอร่อยๆกินเอาเยาวท่องแตกตายท่องแตกตายพระเจ้ากรุงสนใจประกาศใหญ้ญาติของพราหมณ์ชกุกมารับเปาสมบัติทั้งหลายประกาศไปมาไหนมันไม่มีใครมารับอามิตตตาไปไหนอมิตตาก็วางแผนในชกุกอามิตตตาคือใครอามิตรใครว่า ไ, ไม่ใช่ หนี่เปเอาผัวใหม่ใช่ไหมก็ <c oughs> อบอกเลยอภิธารไม่มาเอาทรัพสมบัติเลยอรัสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนจู่พระคังได้อ น, นี่เรียกว่าปาริทัต์ลองดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี่คนดูห ม, มือล้มเนี่ยเห็นเขาตีกันหาจารี น, น้อยน้อยกูดมันมาจะตีขนาดนี้นเลยจับมาตีจริงๆนะกันหาจารีตัวด้ก็้องให้ คนดูก็ส ง, างาาสารกันนะซาลีแม่เท่าคนหนึง่งขายถั่วอบอยู่หน้าเวทีจับไม่คานขึ้นไปไตี <c oughs> นี่ไปแสดงเขา <c oughs> จนความชุกกับนั่นวิ่งเข้าหลังเอ้ยคนใหญ่คนใหญ่เขาแสดงใฉ้ๆดอกรับไม่ใช่ตีจริงๆลองไรลองไ ป, งไปมันแสดงไหละ <c oughs> ยายโกดชุกๆนะนั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนาน้าตาไหลไปหัวเราะจน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 ใคมาจากไหนเห่อเถินเดินผ้ามาใครดำดินดินบนบ่าข้อสอนเร้่งนี้จะอยู่ที่ไหนเขาพูดเรื่องนี้เพราะฉนั้นเราก็มาศึกษาดูยามาเชื่อเราทำดูมันรู้จริงไหมมันหลงจริงไหมอันู้อนหลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่ฉิดเลือกได้ไหมอ่าต้องรู้จักไม่ใช่เราโง่มีปัญญาไปในตัวมีสินไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะข่ารใู้นิพพัดงดีใจ นึกว่าจะมีใครแล้ววันนี้พวกหมอก็กลับไปยที่นี่ก็เห็นแต่ลอยพวกเรานะพวกเราอยู่นี่เป็นผานลงเป็นกรรมกรเป้าให้มาเถอะพวกเราพวกไม่เดือดร้อนอะไรมากมายเขินเคยสะดวกสบายก็มาลองทุกๆยากยา ก, ยากลองดูเอาไม่ไหวหรอกสุโกโตงแย่ที่สุดเลยไม่ต้องแย่ไม่เป็นไรว่าอย่างนี้หิวข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรลาบากบ้างก็ไม่เป็นไร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 ยาเป้าข้าไปชอบไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลมาทำกรรมฐานให้ัปเป็นกรรมจริงๆมัเป็นจิตจํแนกไปสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้อย่าไปเมินไม่ได้อลไหนึ่งวันไม่ได้เลยสองวันไม่ได้ยาไปคิดแบบนั้นวันรู้ก็รู้อยู่แล้วยาเ ป, ป้าเลยมันรู้สึกตัวก็รู้อยู่ทันทีอยู่แล้วไม่ใช่มีอะไรมันก็รู้อยู่แล้วทันทีความรู้จุตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะ